มาบรรยายเรื่องเสริมเรื่องถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบตอนที่สองโดยพระพรหมคุณาพรปอประยุตโตวัดยา น, นเวสส ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเมื่อวันที่สิบกันยายน พุทธศราัาร2538าแป่าเรื่องการมาสุขนจะพอสัทีนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดนะยังไม่ไปไหนเพิ่งได้ขั้นที่1เป่าแว่าเรื่องความสุขประเภทที่1คือความสุขอาศัยวัตถุเสพหรืออาวิสสุขหรือการมาสุขเนี่ย เมื่อเรายังอยู่กับมันเราต้องปฏิบัติให้ดีรู้เท่าทันปฏิบัติต่อมันให้ได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดให้ได้โทษน้อยที่สุดนะทั้งชีวิตตัวทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมถ้าเราปฏิบัติดีแล้วเราจะพัฒนาไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปอา้าวทีนี้ต่อมาเราก็เดินหน้าไปหาความสุขที่สูงขึ้นไปเออคนเรามีทางที่จะหาความสุขได้เยอะแยะไป เแล้วคนเราพัฒนาได้เนี่ยเมื่อพัฒนาได้สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับคนนี้พัฒนาได้หมดความสุขก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมนุษย์พัาะฉะนั้นก็พัฒนาได้ด้วยนี่ลองดูความสุขประเภทที่สูงขึ้นไปมีอะไรบ้างอขอต่อไปเลยก็คือว่าลึกเข้าไปในทางจิตใจมันก็มีทุนที่จะมาสร้างความสุขให้มากขึ้นแต่ก่อนนี้ความสุขของเราอยู่กับวัตถุภายนอกสิ่งเสพเราก็ต้อง หามาเสพการหามาเสพคือต้องเอาต้องเอาก็ต้องได้มาเพราะฉะนั้นมนุษย์จะนึกถึงการได้ตลอดเวลาเล ย, เนยคนเราอยู่ในโลกเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับวัตถุมากเราจะนึกจะได้จะเอาจะได้จะเอ า, เอาบางคนนี่หายใจออกมามีแต่เรื่องได้เรื่องเอาเท่านั้ น, นทําไงจะได้มาทําไงจะเอามาไดเ้เพราะว่าการได้คือความสุขการได้คือเป็นทางสําคัญเป็นแหล่งเดียวของความสุข ข, ของเรา<ๆ>เพราะฉะนั้นเราต้องได้ นี่คนในโลกจํานวนมากก็อยู่ภายใต้วิถีชีวิตและความคิดอย่างนี้คือการได้การเอาการเสพวัตถุทีนี้พระพุทธเจ้าก็เริ่มเตือนเลยว่าเออคุณอยู่ในโลกคุณสัมพันธ์กับวัตถุนะคุณจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่พอเพราะถ้าเอาแต่ได้อย่างเดียวนี้มันเกิดปัญหาทั้งแก่ชีวิตคุณและแก่สังคมและสิ่งแวดลอ้อมแน่นอนอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วนี่ทําไงในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุชีวิตจะต้องมีดุลยภาพ โดยหลักธรรมชาติแล้วต้องมีดุนยภาพสิ่งทั้งหลายนี่เอาจากสิ่งอื่นต้องให้กับสิ่งอื่นด้วยอย่างต้นไม้ใช่ไหมมันเอาเอาอาหารเอาอากาศเอาน้ําจากสิ่งแวดล้อมมันก็ให้ด้วยใช่ไหมมันให้อะไรต่างๆให้ร่มเงาให้ความร่มเย็นต้นไม้มันก็ให้กันละกันเองอ่ะแล้วต้นไม้เล็กให้กับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ให้กับต้นไม้เล็กอะไรต่างๆมันก็ทําให้อยู่ได้เนี่อพื้นผ้าใสซึ่งกันละกันมนุษย์เรานี่ เราจะเอาอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีดุลยภาพท่านก็เลยสอนหลักปฏิบัติขั้นที่หนึ่งมาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนข้อที่หนึ่งเริ่มแรกคืออะไรคือทานใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นหลักธรรมในพุทธศาสนาข้อแรกพระพุทธเจ้าสัตวไปตามธรรมชาติมนุษย์ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับวัตถุจะได้จะเอาพระองค์ก็เลยบอกให้ให้บ้างนะ่นั้นก็เลยมีคู่กับการได้การเอาก็มีการให้ด้วยบอกว่าคุณให้มีการให้ดีนะ ท่านก็เน้นเรื่องทานใช่ไหมาทานศีลภาวนาทานก็เป็นข้อที่หนึ่งแม้แต่พระเจ้าแผดินก็มีทศสวิสราจะทำข้อที่หนึ่งก็ทานใช่ไหมาทานศีลทานเป็นข้อที่หนึ่งแม้แต่จะ บ, บํบาเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็ให้ทานเป็นข้อที่หนึ่งาทานเป็นหลักปฏิบัติขั้นแรกสุดต้องมีการให้ด้วยเอาละให้คุณมีการให้คู่กับการเอาให้คู่ก็ได้แล้วชีวิตจะสมดุล สังคมก็จะมีดุลยภาพแต่ว่าการที่คุณให้เนี่ยนะมันเป็นวิธีพัฒนาตัวคุณด้วยนำไปสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปทีนี้มาดูว่าจะสุขอย่างไรถ้าให้เป็นแล้วจะได้ความสุขประเภทที่สองแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติต้องการด้วยถ้าเราปฏิบัติผิดแล้วเราวุ่นวายเองเพราะนั้นเราปฏิบัติถูกแล้วเราได้ผลดีแม้แต่ความสุขลองดูว่าการให้นี่จะเกี่ยวข้องกับความสุขอย่างไร ก็ขอให้ดูง่ายๆกลับไปย้อนพูดถึงการเอาแล้วก่อนการได้นะเวลาเราจะเอาเราจะได้เนี่ยนยีเรามองไปที่วัตถุใช่ไหมเราจะเอาวัตถุเราจะเอาสิ่งเสรเรามองไปที่สิ่งที่เราจะเอาพอเรามองไปที่วัตถุที่เราจะเอาเนี่ยนะโดยสัญชาตญาณความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมันจะมีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์ขึ้นมา ท, ทันทีเลย เพราะพื่อมนุษย์เป็นสิ่งแวดล้อมของเราพราะเราคิดถึงวัตถุว่าเราจะเอาอันนี้ปั๊บแน่ความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์เกิดขึ้นมาว่าอย่างไรเอ๊ะเพื่อนมนุษย์เขาก็จะเอาเหมือนกันนี่ใช่ไหมเราก็จะเอาให้มากที่สุดเขาก็จะเอาให้มากที่สุดพอเราจะเอาสิ่งนี้เขาก็จะเอาเหมือนกันเราก็ระแวงใช่ไหมคนที่คิดจะเอาคิดจะได้เนี่ยจะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความรู้สึกระแวงต่อจากระแวงคือมองไปคู่แข่ง นะว่าเออเขาก็จะเอาเหมือนกันการมองไปคู่แข่งก็คือการมองเป็นปฏิปักษ์ใช่ไหมนะเป็นปฏิปักษ์เ ฉ, ฉะนั้นมีความรู้สึกไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์คนที่มีจิตใจมุ่งแต่ได้แต่เอาเนี่ยจะสร้างโลกให้เป็นโลกของความเป็นศัตรูการเบียดเบียนแน่นอนเพราะจิตใจไม่ดีต่อกันไม่สามารถสร้างความเป็นมิตรไมตรีได้เพราะเรามุ่งแต่จะเอานี่มันก็ต้องแข่งกันเอานั่นโดย ความรู้สึกพื้นฐานก็เกิดความระแวงความรู้สึกเป็นคู่แข่งเป็นปฏิปักษ์แล้วพอต่อไปหาเก่งเขานะหาเก่งเข้ามองเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อน่ยคือมองเพื่อนมนุษย์นี่มองในแง่วันเนี่ยเราจะเอาจะคนนี้ได้อย่างไรใช่ไหมจะล่วงกระเป๋าได้อย่างไรจะเอาผลประโยชน์ได้อย่างไรมองเพื่อนมนุษย์เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ไปหมดเลยเราจะเห็นได้ชัดในสังคมที่ ได้ไปสู่กระแสของระบบการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์มนุษย์จะเริ่มมีความรู้สึกมีจิตใจที่มองกันเป็นเหยื่อเชื่อไหมเพราะนั้นในสังคมปัจจุบันนี้อันตรายมากสภาพจิตของมนุษย์เริ่มมองเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อมากขึ้นแล้วอา้าวนี่ก็คือวิถีกระแสซึ่ง ม, มีผลมากทั้งจิตใจและสังคมนี้ตัวเองก็มองเพื่อนมนุษย์ศัตรูก็บ า, าดระแวงความรู้สึกได้เสพวัตถุเป็นความสุข แต่ความรู้สึกระแวงเพื่อนมนุษย์ไม่เป็นความสุขเลยนะเป็นคู่แข่งเป็นปฏิปักษ์อยู่กันด้วยความรู้สึกไม่เป็นสบายใจเลยทีนี้พรุทธเจ้าก็สอนหลักของการให้มาคู่บอเอาแล้วนะคุณจะมีดุลยภาพเราต้องมีการให้ด้วยไม่ใช่เอาแตา่เอาแต่ได้อย่างเดียวพอมีการให้เราก็มองพุน่นเราก็มองใหม่นะตอนที่จะเอาเรามองปฏิวัตถุเรามองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่ง ตอนนี้เรามองว่าจะให้พอตั้งความคิดว่าจะให้เราก็มองปฏิคนใช่ไหมเพราะเราให้กับคนนี่พอเราตั้งใจว่าจะให้เรามองปฏิคนพอมองปฏิคนนี่เราสนใจมองหน้ามองตาสังเกตความรู้สึกของเขาเราเริ่มเข้าใจเพื่อนมนุษย์เราเห็นความต้องการของเขาเรามองเห็นสุขเห็นทุกข์ของเขาพอเราเห็นความต้องการเขาเห็นสุขเห็นทุกข์ของเขานี่เราเริ่มเห็นใจเพื่อนมนุษย์ ความเข้าใจเกิดขึ้นความเห็นใจเกิดขึ้นพอความเห็นใจเกิดขึ้นคุณธรรมเกิดขึ้นเลยความเมตตารักใคร่ความสงสารเกิดขึ้นพอเราเกิดความสงสารเห็นใจเพื่อนมนุษย์แล้วความต้องการชนิดใหม่เกิดมาเองโดยธรรมชาติแต่ก่อนนี้เรามีความต้องการแต่วัตถุจะได้จะเอาตอนนี้พอเราตั้งใจจะให้เรามองไปที่คนแล้วเกิดความเข้าใจเห็นใจเกิดความต้องการใหม่คือต้องการช่วยเหลือ ต้องการให้เขาหายทุกต้องการให้เขาเป็นสุขความต้องการให้มนุษย์เป็นสุขเรานี่ก็เมตตาเกิดแล้วทําอะไรเราเกิดความ ต, าต้องการให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุขเมื่อนั้นเมตตาเกิดและจากการที่ตั้งใจให้ก็นํามาซึ่งคุณธรรมโดยธรรมชาติคือเมตตามาแล้วความต้องการนั้นต้องสนองเมื่อต้องการให้เขาเป็นสุขก็ต้องการทําให้เขาเป็นสุข การทําให้เขามีความสุขเป็นการสนองความต ei, ้องการของเราเองใช่ไหมเราก็หาทางทีนี้เราต้องการขึ้นมาแล้วนี่คนเราไม่ได้มันอยู่ในความปรารถนาพอเราต้องการให้เขาเป็นสุขเราก็หาทางทําให้เขาเป็นสุขเออเขาขาดแคนไม่มีอะไรเราก็เอาวัตถุให้เขาใช่ไหมพอให้การให้นั้นเป็นการทําให้เขามีความสุขการทําให้เขามีความสุขก็สนองความต้องการของเราพอได้สนองความต้องการของเราเราก็เป็นสุขใช่ไหม การให้กลายเป็นความสุขแน่แต่ก่อนนี้ต้องได้จึงจะสุขถ้าให้คือเสียเป็นทุกข์ตอนนี้การให้กลายเป็นความสุขไปแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนอย่างพ่อแม่นี่แหละพ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างเพราะพ่อแม่นี่รักลูกต้องการให้ลูกเป็นสุขพอมีความต้องการให้ลูกเป็นสุขความต้องการนั้นต้องได้รับการสนองก็หาทางทําให้ลูกเป็นสุขก็ให้แก่ลูกพอให้แก่ลูก ตัวเองก็เป็นสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ให้กับลูกก็เป็นสุข <c oughs> เพราะมีไอ้ตัวความต้องการที่เรียกว่าความรักอันนี้เองนี้ถ้าเราสร้างความรู้สึกนี้ได้ต่อเพื่อนมนุษย์มันก็ได้ความสุขจากการให้ขึ้นมาดังนั้นมนุษย์ก็เลยมีช่องทางได้ความสุขอย่างที่สองคือความสุขจากการให้แต่ก่อนนี้มีความสุขจากการได้การเอาอย่างเดียวตอนนี้มีความสุขจากการให้ด้วยความสุขจากการได้การเอานั้น มีความสุขอยู่เฉพาะเวลาเสพได้นิดนิดเดียวนอกนั้นอยู่ด้วยความหวัน่นหวาดระแวงความทุรนทุรายการที่ต้องหวังรอรอความสุขแต่ทีนี้พอสุขจากการให้เนี่ยเป็นความสุขประเภทที่อิ่มเอิบกว้างขวา ง, วางประณีตยาวนานพอให้ไปแล้วนี่มันไม่สุขเฉพาะเวลานั้นนะอย่างพ่อแม่ให้กันลูกเนี่ยเห็นลูกมีความสุขเนี่ยพ่อแม่สุขสบายไปทั้งวันเลยใช่ม น่นความสุขจากการให้ใน p รณี i ลึกซึ้งยาวนานอิ่มเอิบกว้างขวางเบิกบานใจโล่งใจโปรง่งใจไม่คับแคบนะัน่นคนมีความสุขได้จากการให้เพราะฉะนัน้นท่านจึงให้ฝึกในวิถีของพุติศาส น, นิกชนนั้นทานจะมาเป็นอันดับหนึ่งจนกระทั่งเป็นวิถีชีวิตของเราเลยว่าวันวันหนึ่งนั่นเราจะไปเอาแต่ได้อย่างเดียวนะต้องมีการให้ด้วยแล้วเราฝึกใจถูกทางเราให้โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน ไอการที่จะมีเมตตารรมันก็เกิดขึ้นมาเองเราก็มีความสุขจากการให้การให้กลายเป็นความสุขเพราะว่ามีเมตตาความรักนี่เองราะตกลงว่ามนุษย์เกิดความรักเกิดคุณธรรมขึ้นในใจแล้วก็สามารถพลิกผันเปลี่ยนการให้ที่เคยเป็นทุกข์ที่เป็นการสูญเสียให้กลายเป็นความสุขไปได้ คุณธรรมอื่นก็เหมือนกันอย่างศรัทธาเรามีความเชื่อในอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเชื่อในหลักพระศาสนาเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในพุระสอนว่าพระธรรมคำสอนเป็นสิ่งที่ดีถ้าพระศาสน า, ศาจเจริญงอกงามไปมนุษย์จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเราปรารถนาในสิ่งดีงามเราก็เลยอยากจะบำรุงพระศาสนาเราให้แก่พระศาสนาเราให้แล้วก็มีความสุขใช่ไหมฉะนั้นด้วยการที่สร้างภายในให้มีคุณธรรมขึ้นมา ก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยเป็นทุกข์ให้กลายเป็นความสุขได้และเกิดช่องทางใหม่ในการมีความสุขเพราะฉะนั้นตกลงว่านี้เป็นตัวอย่างของการพัฒนาความสุขเป็นวิธีที่สองแล้วนะเลยเหรถือว่าความสุขจากการให้นะมาแล้วนะอา้าวพอมีความสุขจากการให้คราวนี้มันกลายเป็นว่าผลดีไม่ใช่เกิดกับชีวิตของตัวเองเท่านั้นตัวเองก็มีความสุขเพิ่มขึ้นทีนี้ผลดีเกิดกับสังคมแลวกลายไปว่า การเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันการให้ก็ความสุขของเราก็กลายเป็นผลดีกับสังคมไปด้วยตอนนี้มนุษย์สุขด้วยกันและแต่ก่อนนี้สุขแบบแย่งกันความสุขจากการได้การเอานะั่นเป็นความสุขแบบแย่งกันแย่งชิงฝ่ายหนึ่งสุขอีกฝ่ายหนึ่งทุกถ้าฉันได้คุณเสียหรือคุณอดถ้าเขาได้เราก็อดเราก็เสียใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาสุขเราทุกเราสุขเขาทุกก็เป็นฝ่ายเดียวและเบียดเบียนในทางสังคม ทีนี้พอมีความสุขจัดการให้เท่านั้นแหะมันเปลี่ยนสุขด้วยกันเลยแล้วแถมความสุขของเราเนี่ขึ้นต่อความสุขของเขาต้องทําให้เขาสุขเราจึงจะสุขใช่ไหมอันนี้สุขด้วยกันก็เป็นความสุขแบบประสานกลมกลืนไม่แย่งชิงแใว่าทําให้สังคมอยู่ร่มเย็นอ้าวแล้วทีนี้มันมาช่วยสังคมสองอย่างคือหนึ่งตัวเองก็ให้แล้วมีความสุขก็ให้เดือดได้สองตัวเองได้รักษาอิสรภาพในการมีความสุขไว้อิสรภาพที่ว่าเมื่อกี้ไง บอกว่าให้ความสุขไม่ขึ้นแต่ ว, วัตถุเกินไปใช่ไหมเราฝึกกระทั่งว่ารักษาศีอุโบสถกระทั่งว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ตอนนี้เรามีความสุขได้ง่ายเนี่เราเก่งในการหาวัตถุสิ่งเสพมมากมายหามาเยอะแยะต่อมาวัตถุเหล่านั้นเกินจําเป็นที่จะทําให้เรามีความสุขเพราะเราเป็นคนสุขง่ายนีย่ใช่ไหมวัตถุเหล่านั้นหามาเยอะแยะเก่งในการหามาเกินจําเป็นจะทําให้ตัวมีความสุขมันก็เลยพร้อมที่จะเอาไปให้กับคนอื่น แล้วยังแถมมาพัฒนาความสุขจากการให้ด้วยมันก็เลยสบายมีความสุขจากการให้เลยพร้อมที่จะให้สังคมก็ยิ่งมีความสุขสบายประสานกลมกลืนกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขของคนเดียวก็กลายเป็นความสุขของสังคมไปด้วยการพัฒนามนุษย์ที่ถูกต้องเนี่ยเพียงแค่สองข้สองขั้นเนี่ก็เห็นได้ชัดแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกัน่ะ การพัฒนามนุษย์ไม่ใช่ว่าทำให้คนหนึ่งสุขแล้วสังคมจะต้องทุกข์นะได้มากเราเป็นนึกว่าเออถ้าทำให้คนหนึ่งสุขแล้วคนอื่นหรือสังคมจะต้องทุกข์เดือดร้อนมันไม่ใช่อย่างนั้นละ่ะถ้าพัฒนาเป็นพัฒนาถูกแล้วมันยิ่งสุขด้วยกันความสุขยิ่งมีมากขึ้นในเมื่อคนยิ่งกลายเป็นมาเกื้อกูลกันสังคมก็ยิ่งดีบุคคลก็ยิ่งดีสังคมก็ยิ่งดียิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็สองแล้วนะลหลวงพ่อทีนี้ต่อไปประเภทที่สาม ต่อไปความสุขประเภทที่สามอะไรอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากธรรมดาในพระพุทธศาสนาสอนเรื่องธรรมชาติทุกอย่างที่พระพุทธศาสนาสอนนี่เป็นเรื่องธรรมชาติหมดเอามาจากความจริงในชีวิตของคนทีนี้ธรรมชาติของคนเป็นอย่างไรความสุขประเภทที่สามนั้นคือความสุขที่เกิดจากการดาเนินชีวิตถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติไม่แปลกแยกจากธรรมชาติ การแตกแยกจธรรมชาตินั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งคือการหลงสมมติคำคนไทยเก่าๆเราพูดว่าหลงสมมติหลงสมมติเป็นอย่างไรอา ว, วันนี้เรามาพูดกันนิดหนึ่งดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติและความสุขจะมีมาแต่เราไม่มีเวลาพูดมากตมาก็จะพูดได้เห็นว่าชีวิตที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติยกตัวอย่างมาชักนสองสามตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งก็คือว่า เราทำอะไรสิ่งนั้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดผลใช่ไหมไม่เป็นธรรมดาธรรมชาติทำอะไรก็เป็นเหตุให้เกิดผลแล้วมอทาอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดผลถ้าให้ถูกต้องสอดคล้องกับความจริงองธรรมชาติก็ต้องการผลที่เกิดจากการกระทำนั้นจริงๆใช่ไหมอ้าวเป็นยังไงล่ะเราทำอะไรเราต้องการผลที่เป็นไปจริงตามธรรมชาติจากเหตุนั้น ยกตัวอย่างมนุษย์ทํางานในสังคมปัจจุบันเนเวลานี้ต้องการผลที่ตรงตามการกระทําที่เป็นเหตุจริงหรือเปล่านะถ้าหากว่าคนทําสวนทําสวนได้ใจปราถนาความเจริญงอกงามของต้นไม้ให้สวนเจริญงอกงามนะถ้ า, าว่าคนกวาดถนน กวาดถนนได้ความต้องการผลที่แท้จริงของตัวงานที่เป็นเหตุคือต้องการความสะอาดของถนนถ้าว่าครูสอนนักเรียนได้ความรักนักเรียนความรักนักเรียนนี่ไม่ใช่หมืมอนว่ารักเฉพานะ่ะสอนนักเรียนได้ความรักอยากจะให้ชีวิตนักเรียนเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขนะสอนให้เด็กเป็นคนดีมีความสุขสอนด้ใจรักนั้นต้องการผลการสอนเป็นเหตุ เด็กดีเป็นผลชีวิตเขามีความสุขเป็นผลแพทย์รักษาคนไข้คือทําการรักษาที่เป็นเหตุด้วยใจมุ่งหมายผลที่ตรงตามเหตุคือต้องการให้คนไข้าหายโรคอยากให้คนไข้มีสุขภาพดีถ้าอย่างนี้นะนี่เรียกว่าดําเนินชีวิตสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาตินคนทําสวนนั้นจะทําด้วยใจสบายมีความสุข คนกวาดถนนจะมีความสุขในการกวาดถนนกวาดแป๊กหนึ่งสะอาดเพิ่มขึ้นได้เสวยผลของความสะอาดได้เสวยผลของการกระทํางานของตนเองทันทีนะแต่ว่าถ้าเราทําไม่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติคืออย่างไรคนทําสวนไม่ได้ต้องการความ จะเลยงอกงามของต้นไม้เป็นต้องการเรื่องสวนหลอกต้องการเพียงเงินเดือนใช่ไหมการทําสวนเป็นเหตุนในความหมายของเขานี่คืออะไรการทําสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลนหรือคนกวาดถนนการกวาดถนนเป็นเหตุการได้เงินสามพันบาทเป็นผลนครูสอนนักเรียนก็การสอนเป็นเหตุได้เงินเดือน หมื่นบาทเป็นผลทั้งหนั่นนะหรือเป็นแพทย์ก็การรักษาคนไข้เป็นเหตุการได้ค่าตอบแทนเท่านั้นท่านี้เป็นผลนะถ้าใจของเราเนี่ยอยู่กับผลแบบที่ว่าได้ค่าตอบแทนอันนี้ถ้านเรียกว่าหลงสมมติเลยหลงสมมติยังไงไม่ได้มีความจริงในธรรมชาติอยู่ในอันนี้เลยใช่ไหมการทําสวนเป็นเหตุได้เงินห้าพันบาทเป็นผลนี่เป็นกฎ แต่ไม่ใช่กฎธรรมชาติเป็นกฎมนุษย์ <c oughs> กฎมนุษย์กฎมนุษย์นั้นอยู่ด้วยสมมติท่านจะเรียกว่ากฎสมมติทําไมจึงเรียวกว่ากฎสมม ต, มมติสมมติว่าแปลว่าการยอมรับร่วมกันหรือข้อตกลงร่วมกันสมตมติมติแปลว่าการยอมรับสั่งร่วมกันสมมติการยอมรับร่วมกันกฎของมนุษย์นั้นตั้งอยู่ได้ด้วยการยอมรับร่วมกันหรือสมมติถ้าสมมตรริด้วยการยอมรับไม่มีกฎนั้นไม่เป็นกฎเชื่อไหม คุณทาสวนหนึ่งเดือนคุณได้เงินเดือนห้าพันบาทการทําสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลนี่จริงนี่การได้เงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลขอ ง, อ ก, าง 5, าการทําสวนหนึ่งเดือนจริงๆเป็นกฎนะแต่จริงแท้ไหมมีในธรรมชาติหรือเปล่าไม่มีเพราะฉะนั้นเรียกว่ากฎโดยสมมติหมายความว่ามันเป็นจริงด้วยการยอมรับร่วมกันนะ ถ้ายอมรับเป็นจริงนะนะยอมรับก็ทําสวนหนึ่งเดือนเป็นเหตุก็ได้เงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลก็ยอมรับร่วมกันนะฝ่ายฝ่ายทําก็กับฝ่ายให้เงินก็ตกลงกันแล้วก็ยอมรับในอันนี้การสมมติก็คือการยอมรับร่วมกันแต่ถ้าสมมติคือการยอมรับร่วมกันหายไปปับ๊บกฎนี้ละลายทันทีใช่ไหมการยอมรับที่เรียกว่าสมมติไม่มีปั๊บนี่ทําสวนเป็นเหตุเงินเดือนห้าพันไม่มาใช่ไหม อีกฝ่ายไม่ยอมรับเนี่อาจจะได้เงินเดือนหพันบาทโดยไม่ต้องทำสวนก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นกฎนี้จริงแต่ถ้าเรียกว่าจริงโดยสมมติโดยสมมติคือการยอมรับร่วมกันเพราะนั้นกฎมนุษย์ทั้งหลายเป็นกฎสมมติหมดตรงข้ามกับกฎธรรมชาติคือเป็นจริงตามเหตุผลในกระบวนการของเหตุปัจจัยแท้ ดงนั้นเหตุผลที่แท้จริงที่เป็นกฎธรรมชาติในการทําสวนคืออะไรการทําสวนเป็นเหตุความเจริญงอก ง, งามของต้นไม้เป็นผลใช่ไหมแล้วที่เราตั้งกฎสมมตินี่ผลที่แท้ที่เราต้องการคืออะไรบนฐานของกฎสมมตินั้นต้องมีความจริงของธรรมชาติซ้อนอยู่ถ้าไม่มีความจริงในธรรมชาติเราไม่รู้จะวางกฎได้ทาไม ให้คนมาทําสวนเพื่ออะไรเพื่อได้เงินเดือนหรือเรื่องอะไรใช่ไหมสิ่งที่ต้องการแท้คืออะไรคือต้องการความเจริญงอก ง, งามของต้นไม้ใช่ไหมอันนั้นเป็นกฎธรรมชาติแล้วมีเหตุมีผลในตัวแล้วใครปฏิเสธไม่ได้ดัง น, นั้นเบื้องหลังกฎสมมติของมนุษย์ว่าการทําสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลนั้นมีความจริงในกฎธรรมชาติซ้อนอยู่คือการทําสวนเป็นเหตุ ความเจริญงอก ง, งามของต้นไม้เป็นผลแล้วอันนั้นแหละเป็นตัวจริงที่ต้องการเป็นความจริงที่รองรับกฎสมมติของมนุษย์ซึ่งถ้าไม่มีความจริงอนั้นอยู่กฎสมมติของมนุษย์ไม่มีความหมายจริงไหมทีนี้ถ้ามนุษย์วางกฎสมมติด้วยความรู้เท่าทันว่าที่เรามาตกลงกันทําสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือนห้าพันบาทเนี่ยนะเป็นข้อตกลงตามสมมติเราเพื่อให้ชีวิตมนุษย์อยู่กันได้ แต่สิ่งที่เราต้องการที่แท้นั้นก็คือการต้องการให้สวนต้นไม้เจริญงอกงามท่านั้นเราจะต้องการตัวนี้ด้วยท่านั้นถ้าเราจะทําสวนเราต้องการเราต้องมีความต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามถ้าเราต้องการผลที่ตรงเหตุปั๊บนี่คือเราไม่แปลกแยกกับธรรมชาติถ้าเราต้องการเพียงทําสวนแล้วได้เงินเดือนห้าพบาทไม่เคยนึกถึงเรื่องต้นไม้เจริญงอกงาม แสดงว่าเราหลงสมมติแล้วเราติดอยู่แค่สมมติเท่านั้นเรามองไม่ถึงความจริงของธรรมชาติแปลกแยกจากโลกของธรรมชาติมนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติเะไรเกิดความวิปริตแปรปลุนขึ้นทั้งในจิตใจชีวิตและสังคมทันทีเลยลองนึกดูแค่นี้ก็วิปริตแล้วใช่ไหมพอมนุษย์เข้าไปถึงความจริงของกฎธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยชีวิตวิปริตแหละสังคมวิปริตแล้วถ้าคนทําสวน ยังต้องการผลที่ตรงตามเหตุคือต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้เขาก็จะทำสวนด้วยความเต็มใจยินดีและไม่ต้องมีคนคุมเลยใช่ไหมเขาอยากทำเขาจะพยายามหาทางให้ต้นไม้เจริญงอกงามแล้วเขาทำด้วยความสุขด้วยนะเพราะว่าความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นสิ่งที่เขาต้องการเพราะเขาทำไปเขาเห็นต้นไม้เจริญเขาก็มีความสุข เขาก็ดำเนินชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาตินี่คือการทําเหตุที่ตรงกับความประสงค์ผลใช่ไหมะฉะนั้นคนเราเนี่ยอันนี้ปัจจุบันนี้มีปัญหามากคือหลงสมมติแปลกแยกจากธรรมชาติมีชีวิตที่นึกไม่ถึงตัวความจริงที่แท้ที่อยู่เบื้องหลังเลยถ้าครูสอนนักเรียนได้ใจรักนักเรียนอยากให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขมีชีวิตที่ดีงาม การสอนนั้นจะได้ผลดีมากและครูก็จะมีความสุขในการสอนแต่ถ้าครูหวังแต่เงินเดือนอย่างเดียวครูก็แปลกแยกจากความจริงของกฎธรรมชาติมาอยู่กับสมมติหลงสมมติเมื่อ น, นั้นการทำงานสังคมแระออะไรแปร ป, ป, ปรวนวิปริตหมดนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจึงท่านบอกว่าให้รู้ทันสมมติรู้ท่าทานสมมติก็เรารู้ความประสงค์ว่าอ๋อไอ้กฎสมมติที่เราวางกันขึ้นมาเนี่ย ที่จริงมันมีความจริงในธรรมชาติเป็นฐานอยู่อันนั้นสิเป็นสิ่งที่เราต้องการอันนี้วางขึ้นมาเพื่อให้สังคมมนุษย์ดำรงอยู่ได้เป็นกฎเกณฑ์ในสังคมรู้เท่าทันพอรู้เท่าทันโยงความจริงในระดับสมมติก็โยงความจริงของธรรมชาติเข้าถึงกันได้ก็เป็นว่าเรียบร้อยชีวิตก็อยู่ดีสังคมก็เรียบร้อยด้วยใช่ไหมได้ทั้งชีวิตได้ทั้งสังคมดีหมดในใ น, นี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง น, นี่ก็ เป็นอันว่าอันนี้อาตอมาเพียงยกตัวอย่างก็ขอยกตัวอย่างอันหนึ่งคือเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์นี่มนุษย์นี่นะถ้าเราบำรุงปลนเปลอเนี่ยให้ความบำรุงปลนเปลือเท่าไหร่มันจะกลายเป็นสภาพปกติของชีวิตเขาแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งชินชาแล้วเขาจะไม่รู้สึกถึงความสุขชัดเจนคือ ในความสัมพันธ์กับวัตถุเนี่ยมันมีความจําเป็นอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมทางพระท่านเรียกว่าปัจจัยสแล้วแต่ละคนเนี่ยปัจจัยสี่ความจำเป็นไม่เท่ากันแล้วแต่พัฒนาการของจิตใจด้วยแต่เอาเป็นว่ามันมีความจําเป็นระดับหนึ่งที่พ้นระดับนั้นแล้วเนี่ยนะต้องระวังมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าสัมผัสสัมผัสคือยังไงคือมีความพรั่งพร้อมมีเท่าไหร่เนี่ยชีวิตมันจะชินมันถือเป็นระดับปกติหมด นี่ถ้าเราไม่พัฒนาคนนี่มันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาจากสภาพธรรมชาติอันนี้คือมนุษย์ในยุคที่มีสิ่งบารุงบาเรอปรนเปลือยพลังพร้อมเนี่ยไอสิ่งปลนเปลือยพลังพร้อมนั้นเป็นปกติของเขาในขณะนั้นแล้วเขาจะไม่รู้สึกเป็นสุขอะไรพิเศษเนเพราะฉะนนั้นมันจะมีอันหนึ่งขึ้นมาคือเรื่องของหลักการพัฒนาคนเนี่ย หลักการพัฒนามนุษย์ซึ่งหมายถึงพัฒนาความสุขด้วยจะมีสรุปเป็นหลักได้ว่าคนที่ได้พัฒนาให้มีจิตใจเนี่ยนะเห็นกัความสะดวกสบายเห็นกัความง่ายเนี่ยนะแล้วมีสิ่งปนเปลือมากเนี่ยต่อไปจะมีสภาพชีวิตปรากฏออกมาเป็นคนที่สุขได้ยากและทุกได้ง่าย อานะคนที่พรั่งพร้อมไในรักการบำรุงบำรุตามใจมากเนี่ยโดยธรรมชาติจะกลายเป็นคนที่สุขได้ยากและทุกข์ได้ง่ายส่วนคนที่ผ่านชีวิตที่มีความทุกข์ยากลําบากมากเนี่ยนะจะมีลักษณะตรงข้ามคือเป็นคนที่สุขได้ง่ายและทุกข์ได้ยากทําไมเป็นอย่างนั้นะก็นี่แหละเรื่องสัมพัสที่ว่าชีวิตคนประสบสภาพแวดล้อมอย่างไรก็เป็นปกติของเขาอย่างนั้นใช่ไหม αι? อันนี้ก็ขึ้นต่อการพัฒนาทางจิตใจที่จะมารับแหละอันนี้เด็กที่ได้รับการบำรุงบําเรอปลนเปลอมมากมีอะไรก็พรั่งพร้อมพ่อแม่ตามใจทุกอย่างจะเป็นเด็กที่ทุกได้ง่ายทุกได้ง่ายยังไงล่ะขาดนิดขาดหน่อยสิ่งที่มีพรั่งพร้อมขาดนิดขาดหน่อยทุกทันทีอยากได้อะไรไม่ได้ตามใจนิดเดียวทุกทันที นั่นแก่ก็อยากจะได้ฝึกไว้แต่ความเคยชินอยากได้อยากได้นู่นได้นี่ไม่ได้ตามใจไม่ได้ไม่ทันทุกทุกไปหมดแล้วไม่เคยทนต่อความลําบากใช่ไหมเจออะไรจะต้องทํานี่ทุกขหันไปทางไหนจะต้องทำทุกทุกหมดเลยทุกทางนั้นเลยทีนี้อาลวละหนึ่งละทุกได้ง่ายสองสุขได้ยากสุขได้ยากคืออย่างไรล่ะมันพลังพร้อมไปหมดแล้วตามใจอยู่เสมอทีนี้ ไอ้ส่วนที่มีพลั่งพร้อมมันกลายเป็นสภาพปกติใช่ไหมชินชาจะให้สุกมันต้องเติมทีนี้เติมยังไงมันพลังพร้อมจะรับเติมยากแล้วนั้นก็นเลยสุกได้ยากนี่นะัดทีนี้เราไปดูคนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ทนสู้ชินกับความยากลําบากเอาแล้วนะพวกนี้เพอทนสู้ชินกับความยากลําบากพวกนี้ความยากลําบากเข้ามาความยากลําบากลดลงไปนิดหนึ่ง ผ่านพ้นความยากลําบากไปนิดหนึ่งมีสิ่งมาช่วยให้มีความสุขนิดหนึ่งสุขทันทีเลยสุขง่ายมากพวกนี้นะทุกข์ได้ยากสิ่งที่ลําบากยากเย็นอยู่ชินชาแล้วจะเพิ่มเข้ามานั่นเรื่องเล็กใช่ไหมไอ้ที่ตัวสู้อยู่มันเยอะแยะ ก, กว่าตั้งเยอะแล้วจะไปกลัวอะไรแค่นั้นอนนี้หันไปเจออะไรที่ต้องทํามันก็สู้อยู่แล้วมันก็ทํามันก็ไม่ไม่ถือเป็นเรื่องสําคัญอะไรที่จะมาเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดา ดัง น, นั้นโดยสภาพธรรมชาติเนี่ยเด็กที่ได้รับการบํารุงบําเรอพรั่งพร้อมและตามใจมากระวังให้ดีะจะเป็นคนอ่อนแอใจเสาะเปล่าบางทุกได้ง่ายและสุขได้ยากส่วนคนที่ผ่านชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากนั้นเขาสุกง่ายและทุกได้ยากอันนี้เราจะเห็นได้ทั้งชีวิตคนและสังคมอตามายกตัวอย่างบ่อยๆสังคมที่คนมีความทุกข์ยากลาบากเนี่ย คนเขาไม่ฆ่าตัวตายแต่สังคมที่มีความพรั่งพร้อมสะดวกสบายจะมีคนฆ่าตัวตายมากยกตัวอย่างบ่อยก็คืออเมริกากับเม็กซิโกอเมริกานี่เป็นสังคมที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมใช่ไหมเลยบอนอย่งนี้เขาบอกเป็นสังคมบริโภคมีอะไรทุกอย่างกดปุ่มเอาใช้แต่กล้ามนิ้วไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อนีนะฮะเออกล้ามเนื้อไม่ต้องใช้ถึงกับกล้ามนิ้วกดปับ๊บกดปับ๊บ บางทีไม่ต้องกดเดินเดินไปถึงประตูประตูมันก็เปิดเลยใช่นี่ก็สุขสบายเดี๋ยวนี้ไปจะไปใช้น้ำก็เอามือไปลองปับ๊บน้ำก็ก็ไหลพอชักมือออกน้ำก็หยุดใช่ไม่ต้องใช้กล้ามนิ้วด้วยนี้สหรัฐอเมริกาที่พรั่งพร้อมเนี่ยเป็นยังไงเวลานี้สถิติฆ่าตัวตายแสดงออกมาแสนละ 12.5 คน ในไปสังคมเม็กซิโกเม็กซิโกนั้นยากจนมากอยู่ติดกันเลยนะกับประเทศอเมริกาใช่ไหมชายแดนติดกันเม็กซิโกนั้นคนยากจนพยายามหลบหนีเข้าไปหางานทําในอเมริกาประเทศที่ยากจนสถิติคนฆ่าตัวตายแสนละหนึ่งจุดเจ็ดน้อยกว่าอเมริกาเจ็ดจุดสี่เท่าอเมริกาฆ่าตัวตายมากกว่าเม็กซิโกเจ็ดจุดสี่เท่า นี่คือประเทศที่มั่งคั่งพร้อมบอกแล้ ว, ว่าคนบันใจเสาะเปละาบางนะอเมริกาสมัยก่อนเป็นประเทศอุตสาหกรรมสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ความลำเค็นได้ความขยันอดทนยุคนั้นไม่ค่าตัวตายแต่ว่ามามีปัญหาตอนที่เริ่มเป็นระบบอุตสาหกรรมแล้วชีวิตคนวุ่นวายกับการงานคนหนุ่มคนสาวคนอยู่ในวัยทางาน ยุ่งกับการงานจนกระทั่งว่าตัวใครตัวมันไม่มีเวลาเอาใจใส่คนแก่คนแก่ในสังคมอเมริกันก็ถูกทอดทิ้งในระยะนั้นคนแก่ฆ่าตัวตายมากนี่สังคมอเมริกันค่อยๆมาเป็นขั้นๆนะแต่ก่อนก็เป็นสังคมทั่วไปมันก็คนที่ยากจนลำบากก็ไม่ค่าตัวตายค่าตัวตายน้อยต่อมาคนแก่ถูกทอดทิ้งก็คนแก่ค่าตัวตายมาก พอมาถึงปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่มั่งคัง่งพร้อมปรากฏว่าคนหนุ่มสาวฆ่าตัวตายมากคนวัยรุ่นฆ่าตัวตายมากพอญี่ปุ่นพัฒนามายัางอเมริกาก็ญี่ปุ่นก็สถิติฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นเวลานี้เมืองไทยก็เริ่มฆ่าตัวตายมากขึ้นอันนี้เราไปนึกดูว่าคนที่ทุกข์ยากลําบากนี่ไม่ฆ่าตัวตายก็ยกตัวอย่างบ่อยอันก็คือว่าอย่างคนจีนสมัยก่อนเข้ามาจากเมืองจีนเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยนะ เป็นคนที่อะไรมาเสี่ยงโชคอะอดมื้อกินมือ้อเสือ้อผืนหมอนใบสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยเขาเหนื่อยยากลำบากจะแย่อยนะเขาฆ่าตัวตายที่ไหนใช่ไหมแล้วเขาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐีได้พอรุ่นลูกเศรษฐีลูกเจ้าสัวเริ่มฆ่าตัวตายใช่ไหอชีวิตสะดวกสบายใจส่ะเปล่า บ, บางเพราะฉะนั้น ต้องระวังมากพัฒนาคนเนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีแล้วมันเป็นสัมผัสอย่างที่ว่าสภาพที่เป็นอยู่พรั่งพร้อมแค่ไหนก็เป็นปกติของคนในเวลานั้นทีนี้ถ้าเราฝึกคนให้ดีนะเรารู้หลักการนี้เราก็พัฒนาคนให้เข้มแข็งขอใช้คำว่าให้เป็นคนสู้สิ่งยากพอพัฒนาให้เป็นคนสู้สิ่งยากขึ้นมาปั๊บนี่ มันจะเป็นคนที่มาสวยความสุขจากการพัฒนาวัตถุได้เต็มที่เลยเพราะว่าวัตถุพลังพร้อมพัฒนาไปเถอดคุณแต่ใจคุณไม่พัฒนาใจคุณจะลบศูนย์ตามไอ้ลบหนึ่งตามการพัฒนาวัตถุพัฒนาวัตถุขึ้นไปพลั่งพร้อมบวกหนึ่งจิตคนนลบหนึ่งเราไปศูนย์เท่าเดิมเป็นปกติเป็นธรรมดานี้เพราะฉะนั้นเรารู้หลักนี้เราต้องพัฒนาคนให้บวกหนึ่งด้วยนีพัฒนาวัตถุไปให้พลังพร้อมบวกหนึ่ง เราก็พัฒนาจิตใจคนให้บวกหนึ่งคือสู้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะคนสู้สิ่งยากเข้มแข็งขึ้นเขาสวยความสุขจากวัตถุที่เราสร้างขึนในได้เต็มที่เลยนะจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริงจากสิ่งที่ได้สร้างสรรค์ความเจริญจากวัตถุขึ้นมานี้เราก็มีหลักในการพัฒนาให้คนให้สู้สิ่งยากคนสู้สิ่งยากก็สร้างจิตสํานึกในการฝึกตัวขึ้นมานะ พอสร้างจิตสำนึกในการฝึกตัวก็ถือว่ามนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกอ่ามันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแล้วก็ขอพูดสั้นๆที่จริงเรื่องนี้พูดบ่อยคือหลักพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกการดำรงอยู่ชีวิตที่ดีงามของมนุษย์นั้นมาจากการฝึกเท่านั้นไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่ขึ้นต่อการฝึกแต่ขึ้นต่อสัญชาตญาณชีวิตอยู่ด้สัญชาตญาณเกิดมาป ท้องแม่ก็เดินได้หากินได้ไหวน้ำได้ช่วยตัวเองได้แต่มนุษย์นั้นเกิดมาเป็นยังไงเกิดมาช่วยตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมอย่าว่าแต่วันเดือนหนึ่งเลยปีหนึ่งยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยทิ้งก็ตายเพราะนั้นกว่าจะช่วยตัวเองได้แต่มาเคยถามที่ประชุมมีอาจารย์ท่านหนึ่งขอถามว่าคนเราเนี่ยกว่าจะช่วยตัวเองได้นี่กี่ปีเกิดมากี่ปี ท่านหนึ่งตอบวสามสิบปีงั้น <c oughs> ถึงไม่เลยพรในที่ประชุมนี่จะเอาสักเท่าไหร่กี่ปีจะช่วยตัวเองได้อยู่รอดเจ็ดโค้ดไหวเลยเลยวะทิ้งได้ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เนียังไม่ไหวนะมนุษย์นี่ยากทีนี้มนุษย์นี่นะเป็นอันว่าโดยสัญชาตญาณช่วยตัวเองไม่ได้แล้วทําไงในระหว่างที่โตมากว่านจะช่วยตัวเองได้ หาปีสิบปีอะไรเนี่ยทุกอย่างต้องเรียนรู้ต้องฝึกหมดเลยนะใช่ไหมเรียนรู้พ่อแม่สอนให้กินก็ต้องสอนขับถ่ายก็ต้องฝึกนอนยังต้องฝึกเลยนั่งก็ต้องฝึกเดินก็ต้องฝึกพูดก็ต้องฝึกเรื่องที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ต้องอาศัยการฝึกหมดเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนะ แต่ทีนี้ไอ้ข้อที่ต้องฝึกเนี่ยเป็นข้อด้อยของมนุษย์แต่กลับเป็นข้อดีของมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ได้สัญชาตญาณได้ช่วยตัวเองได้ทันทีนั่นน่ะเกิดมาได้สัญชาตญาณอย่างไรตายไปได้สัญชาตญาณอย่างนั้นอยู่แค่นั้นน่ะตั้งแต่เกิดจนตายก็สัญชาตญาณมาไงก็ตายไปอย่างนั้นแต่มนุษย์มันไม่อย่างนั้นนี่พอเริ่มฝึกแล้วคราวนี้ไม่มีที่สิ้สนสุดเลย ฝึกไปฝึกไปท่านก็เลยให้ตัวอย่างไว้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดของบุคคลที่ได้ฝึกแล้วใช่ไหมอันนั้นฝึกแล้วดีแล้วเป็นกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ได้ก็เลยวางเป็นแบบว่าให้เป็นตัวอย่างสําหรับเราลึกว่าเออเราต้องฝึกตัวนะเราจะมีชีวิตที่ดีประเสริฐได้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องคอยกระตุน้นเราใจพวกเราอยู่เสมอบอกว่าในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ประเสริฐคือผู้ที่ฝึกแล้วนะ หรือในหมู่เทวดาและทวยเทพผู้ที่ฝึกแล้วนี่ประเสริฐสุดนะแล้วก็มนุษย์นั้นฝึกแล้วแม้แต่เทวดาและพระพรหมก็น้อมนมันสการมนุษย์ไม่ต้องไปมังกราบไหวอ้อนวอนเทวดาหรอกถ้าฝึกตัวพัฒนาตัวแล้วเทวดาพระพรหมก็ยังมาไหวมนุษย์เลยใช่ไหมเนี่ท่านให้คอยมีกําลังใจนี้อยู่เรื่อยเพราะถือการฝึกเป็นเรื่องสําคัญนั้นชีวิตมนุษย์นี่ดีงามอยู่ด้วยการฝึกทั้งสิ้นที่เราอยู่มาได้ในอยู่ด้วยการฝึก มนุษย์นั้นตรงข้ามกับสัตว์ทั้งหลายอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นบอกว่า <_ C ann os> เกิดมาด้วยสัญชาตญาณอย่างไรก็ตายไปด้วยสัญชาตญาณอย่างนั้นแต่คติของมนุษย์นั้นบอกว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นใช่ไหมเน่ยเพราะฉนั้น <_ C ann os> มนุษย์นี่ฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นฝึกเข้าไปเถิดทีนี้มนุษย์นั้นทั้งทางที่ชีวิตต้องฝึกเนี่ยแต่ว่าไม่เอามาใช้ประโยชน์ฝึกเท่าที่จะเป็นพออยู่ได้แล้วหยุดฝึกแล้วฝึกโดยไม่ได้ตั้งใจฝึกเพราะความจําเป็นเนี่ยที่ว่า ฝึกินฝึกนอนฝึกเดินฝึกพูดฝึกอะไรต่างๆเนี่ยฝึกพอให้พูดได้แทนที่จะฝึกต่อไปพูดยังไงให้มันดีให้มันได้ผลยิ่งกว่านี้ใช่ไหมฝึกได้มีศักยภาพต้องฝึกต่อเยอะเรื่องพูดก็ยังไม่จบแต่พอพูดได้หยุดฝึกแหละเนีฝึกเท่าที่จำเป็นฝึกแบบเอาความเคยชินเข้าว่าอันนั้นจะเรียกว่าไม่ฝึกก็ได้แต่ว่ามันเป็นฝึกแบบจําเป็นตามไม่รู้ตัวท่านเรียกว่าเอาความเคยชินเข้าว่า นะตามพ่อตามแม่ตามผู้อื่นเห็นตัวอย่างอย่างไรก็ทําไปะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยแปลว่าชีวิตโดยสภาพธรรมชาติอยู่ด้วยการฝึกนะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช้ประโยชน์จากหลักการนี้กลับฝึกเท่าที่จําเป็นพออยู่ได้แล้วเลิกฝึกนี่มนุษย์ที่รู้หลักการนี้รู้ธรรมชาติของตัวเองดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติว่าเรานี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกต่อไป ชีวิตเราจะยิ่งดีงามก็ฝึกต่อทีนี้ฝึกยังมีหลักการเลยเอ่าวแล้วชีวิตเราจะดีต้องฝึกทีนี้พอฝึกแล้วเท่านี้และอาแล้วได้ผลเลยเริ่มเลยนะแม้แต่ความสุขได้ผลทันทีเอาธรรมชาตินี้มาใช้ยังไงละ่ะพอเราสร้างจิตสานึกในการฝึกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ต้องฝึกแล้วยิ่งฝึกยิ่งดีใช่ไเรามองสถานการณ์ทุกอย่างเป็นสถานการณ์สาหรับการเรียนรู้และฝึกตนหมดเลย อ้าวมนุษย์เราพัฒนาได้จากกา ร, รเผชิญปัญหาเช่นอย่างนี้เป็นต้นเจอ ป, ปัญหาปับ๊บอย่าไปยอดทอสิคิดหาทางที่จะแก้ปัญหาทำไงจะขบปัญหาให้สาเร็จได้ทีนี้ก็พูดถึงว่ามนุษย์มีชีวิตที่อยู่ได้ดีด้วยการฝึกยิ่งฝึกก็ยิ่งมีชีวิตที่ดีงามขึ้นไปเราก็ตัวหนักในความจริงอันนี้ใช่มเราก็สร้าง สิ่งที่เรียกว่าจิตสํานึกในการฝึกตนขึ้นมาเลยมองสถานการณ์อะไรเจออะไรมองเป็นเรื่องฝึกตัวหมดเลยเพราะะฉนั้นเราเจอปัญหาเราจะนึกว่าเออปัญหาคือเครื่องฝึกตัวเราใช่ไหมนั้นคนที่เจอปัญหาแล้วไม่ยอดท้อไม่ถอยเราก็พัฒนาตัวขึ้นมาจากการพยายามแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็หาทางคิดเราก็เพียรพยายาม สื่อสารหาเหตุปัจจัยคิดช่องทางค้นคว้าอะไรตายนมาแก้ปัญหาจะ ก, การคิดคนพยายามแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็เก่งขึ้นมนุษย์ทุกคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาประสบความสําเร็จมาจากการที่พยายามเผชิญปัญหาเผชิญอุปสรรคแล้วแก้ไขพยายามพัฒนาตัวจากสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะประสบความสําเร็จนี้คนที่เคย พัฒนาตัวอย่างนี้ต่อมามันเคยชินมันเกิดจิตสำนึกในการศึกษาและพัฒนาตนชอบฝึกตนพอเจอสิ่งที่ยากเราชอบนะีเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ยากนี่ทําให้ตัวได้ฝึกมากนะของอะไรถ้ามันง่ายเราก็ไม่ได้ฝึกตัวจริงไหมมันง่ายมันก็ทําไปได้แล้วคนที่เป็นนักฝึกตัวไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ง่ายตรงข้ามกับคนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกตนให้เจอง่ายๆแล้วชอบเนะี่ย ถ้าเจออะไรยากแล้วก็ท้อเลยถอยไม่สู้นี่พอเรามีจิตสํานึกในการฝึกตนเราชอบสิ่งยากพอเจอสิ่งยากเราเอาเจอสิ่งยากแล้วกลับชอบใจมีความสุขนี่ได้แล้วจิตใจสบายมีความสุขพอเจอทีนี้ก็ตั้งใจทําสิเพราะาเต็มใจะเต็มใจก็ตั้งใจทําตั้งใจทํามันก็ยิ่งได้ผลใหญ่เลยนั้นเขาก็พัฒนาตัวเองนี่คนที่ไม่มีจิตสํานึกในการฝึกเป็นยังไง มันไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะสู้อะไรพอเจอปัญหาป้บมันถอยทันทีเพราะถอยสุขภาพจิตเสียแล้วเพราะว่ามันเกิดความทุกข์เนะี่ยใจไม่สบายคุณมัวเศร้าหมองทีนี้กดต้องทำแล้วจำใจแล้วทีนี้จำใจทำก็ทุกข์อีกใช่ไหฝืนใจจำใจทำแล้วก็ไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจทำไม่ได้ผลอีกด้วยก็ลเลยใจตัวเองก็ไม่สบายงานนั้นก็ไม่ได้ผลดี ตรงข้ามกับคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนเนี่ยทั้งใจก็เป็นสุขทั้งงานก็ได้ผลด้วยเนี่ยพัฒนาตัวยิ่งขึ้นไปนี้พอเราพัฒนาคนอย่างนี้ดีขึ้นมามีจิตสำนึกในการฝึกตนเป็นคนเข้มแข็งเนยคราวนี้เป็นคนที่สู้สิ่งยากพอเป็นคนสู้สิ่งยากแล้วเจออะไรมันก็มีความสุขไปได้หมดแล้วก็แม้แต่สิ่งยากมันยังสุขได้เลยความสิ่งง่ายมันจะไม่สุขได้ยังไงใชม่มันเป็นธรรมดา ันั้นเขาเลยไม่กลัวทุกข์เลยภูมิต้านทานความทุกข์ขึ้นมาเต็มที่เลยศักยภาพในความศักยภาพในการที่จะมีความสุขก็ขึ้นมาเต็มที่ด้วยใช่ไหมได้สองเลยหนึ่งภูมิภูมิต้านทานความทุกข์สองศักยภาพที่จิมีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตสํานึกในการฝึกตนสู้สิ่งยากก็มีความสุขได้ง่ายและทุกได้ยากและอยู่ในสังคมประเภทอย่างนี้มีวัตถุพรั่งพร้อมสบายเลย ขึ้นแต่วัตถุน้อยตัวเองมีอิสรภาพถ้ามีวัตถุมายิ่งสบายมีความสุขเต็มเปี่ยมตรงข้ามกับคนที่ไม่มีจิตสํานึกในการฝึกตนเห็นแก่ง่ายเห็นแก่ความสะดวกสบายอ่อนแอใจเสาะเปลาาบางไอสิ่งที่บํารุงบําเลอพร้อมก็เป็นแค่ปกติได้เพิ่มมาหน่อยก็สุบนิดเดียวขาดไปนิดไม่ได้อย่างใจนิดทุกแล้วหันไปเจออะไรต้องทําทุกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ทุกเต็มที่ไปหมดเลยเพราะนั้นแล้วทําไมจะไม่คาบตัวตายเลยใช่ไหม เพระนั้นพอขาดแคแลนนิดก็ใจหดหูดท้อถอยขาดตัวตายเพราะนั้นนี่มันเป็นธรรมชาติของสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ถ้าไม่พัฒนาตัวให้ดีเราก็เสียหลักแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็กลายเป็นคนอ่อนแอตามใช่ไหมยิ่งวัตถุพลังพร้อมคนก็ยิ่ ง, งอ่อนแอลงเพราะนั้นในสภาพอย่างนี้เราต้องรู้เท่าทันวัตถุพลังพร้อมขึ้นปับ๊บเราพัฒนาคนให้แข็งยิ่งขึ้น ว่าพัฒนาคนยิ่งแข็งคนที่แข็งนั้นก็มาเสวยสุขจากวัตถุพรั่งพร้อมได้เต็มที่อย่างนี้เขาเรียกว่าพัฒนาสวนทางกันพัฒนาวัตถุให้พรั่งพร้อมแต่พัฒนาคนให้แข็งยิ่งขึ้นให้สู้สิ่งยากยิ่งขึ้นแล้วคนนั้นแหละที่จะเสวยความสุขจากความเจริญนี้ได้จริงๆถ้าไม่เชนั้นแล้วจะพัฒนาไปเสียเปล่าใช่ไหมพัฒนาวัตถุไปพรั่งพร้อมเสียเปล่าไอ้เจ้าเด็กเกิดมาสภาพอย่างนี้มันเป็นปกติของเขาและเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษเลย เหมือนกับเราสมัยก่อนเรามีเกิดมาอย่างไงแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็เป็นปกติของเราสเสด็จสมัยนี้พลั่งพร้อมก็เป็นปกติของเขาไม่ได้เป็นสูตพิเศษอะไรเพราะนั้นก็เลยน่ากลัวนั่นนี่แหละเอามาดูตัวอย่างที่ว่าเนี่ยสังคมที่ว่าบางครั่งพลั่งพร้อมแล้วทําไมเด็กหนุ่มสาวฆ่าตัวตายมาเนีมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นตกลงวันนี้คือธรรมชาติมนุษย์เอามาใช้ใเป็นประโยชน์ซะ ฝึกฝนสร้างจิตสำนึกในการฝึกฝนพัฒนาตัวและเด็กสู้สิ่งยากเข้มแข็งไม่ใจเสาะเปล่า บ, บางเป็นผู้สามารถสวยความสุขมีภมูมิคุ้มการทุกขอย่างสูงแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะมีความสุขอย่างสูงเช่นเดียวกันเพราะนั้นเขาจะมีความสุขได้มากทุกคนแหละแต่ละคนก็เหมือนกันแหละใครที่พัฒนาได้อย่างนี้ก็เป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีความสุข เนี่ยต่อมาพูดมาสองอย่างเป็นตัวอย่างของการที่ว่าการพัฒนาความสุขด้วยการที่ว่าดำเนินชีวิตให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติใช่ไหมเอาธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้ามนุษย์หลงสมมติปั๊บเสียหลักนี้ทันทีแล้วก็ทุกข์จะตามมาเอ้าและวสามแล้วทีนี้ต่อไปสุขประเภทที่สี่นีสุขประเภทที่สี่ก็มาจากธรรมชาติมนุษย์อีกธรรมชาติมนุษย์เป็นยังไง ก็ต่างจากสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นประดิษฐ์คิดค้นสร้างสารรค์ไม่เป็นบอกแล้วว่าเกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายมันก็อยู่กับธรรมชาติมันก็ไม่ได้สร้างสารรค์อะไรผิดปกติแต่มนุษย์นี่พิเศษก็คือว่าประดิษฐ์คิดค้นสร้างอะไรแต่ อ, อะไรขึ้นมามีวัตถุมีเครื่องมืออุปรกรณ์มีระบบสังคมมีเทคโนโลยีเจองกระทั้งเป็นโลกมนุษย์เลยมนุษย์นี่ ทำไปทำมาเกิดมีอารยธรรมวัฒนธรรมใช่ไหมอารยธรรมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีในสัตว์ทั้งหลายมีทั้งวัตถุมีทั้งระบบสังคมต่างๆจนกระทั่งเกิดเป็นโลกมนุษย์และโลกมนุษย์นี้ต่างจากโลกของธรรมชาติมนุษย์สร้างโลกมนุษย์ขึ้นมากลายเป็นอีกโลกหนึ่งจนกระทั่งบางทีแปลกแยกจากโลกธรรมชาติอย่างที่ว่าเมื่อกี้กฎมนุษย์ก็มีกฎธรรมชาติก็มีแยกกันไปหมดเลยมนุษย์พวกหนึ่งก็หลงสมมติ แปลแยกจากโลกธรรมชาติมีชีวิตแต่ละวันไม่เคยรู้จักโลกธรรมชาติเลยบางคนนี้อยู่ในกรุงเทพนะออกจากบ้านตื่นเช้าไปทํางานไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนกลับจากที่ทํางานมาเข้าบ้านเห็นแต่แสงสีถนนรถยนต์ไฟฟ้าเห็นแต่ทีวีเห็นแต่อะไรไม่เคยเห็นฟ้าไม่เคยเห็นดวงดาวไม่เคยเห็นดวงจันทร์บางคนเป็นไหมาบางทีไม่ได้สนใจเลย คือเขาอยู่แต่ในโลกมนุษย์อย่างเดียวโลกธรรมชาตินี้หายไปแล้วเขาแปลกแยกจากโลกของธรรมชาติมันอยู่กับโลกของมนุษย์อย่างเดียวนี่ก็คือเรื่องของความวิปริตแต่ว่ามันเป็นความสามารถของมนุษย์ที่เป็นนักประดิษฐ์สร้างสารรค์ปรุงแต่งมนุษย์ก็ใช้ความสามารถนี้มาสร้างทีนี้แนวโน้มส่วนมากมันสร้างเพื่ออะไรมันสร้างเพื่อจะเอามาเสพเพื่อให้ความสุขของตัวที่ได้จากประเภทที่หนึ่งเนี่ยเกิดมีขึ้น แล้วมันก็เลยไม่พัฒนานี่เอาเป็นว่ามนุษย์มีความสามารถพิเศษจากสัตว์อื่นก็คือมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นปรุงแต่งสร้างสรรค์อันนี้สร้างสรรค์มาเป็นวัตถุอะไรต่างๆนั่นก็อย่างหนึ่งก็เกิดจากความคิดใช่ไหมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างสรรค์ประดิษฐ์ปรุงแต่งในจิตใจของตัวเองก่อนที่จะออกมาเป็นวัตถุมันต้องปรุงแต่งในใจ นี่ปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งสภาพจิตปรุงแต่งความทุกข์ความสุขของตัวเองนี่ในการปรุงแต่งทุกข์สุขนับปรากฏว่ามนุษย์จํานวนมากเนี่ยไม่พัฒนาก็เลยปรุงแต่งแต่ความทุกข์ให้กับตนเองนะขอถามว่ามนุษย์เราใช้ศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์ปรุงแต่งส่วนมากเนี่ยในการสร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้กับตนมนุษย์ส่วนใหญ่จะเห็นว่าใช้สร้างทุกข์มากกว่า เช่มคือเราไปหวังสุขจากการเสพวัตถุแต่ในใจตัวเองที่มีความสามารถปรุงแต่งสุขเนี่ยไม่ใช้ใช้ในทางปรุงแต่งทุกข์อะไรที่มันจะกระทบกระเทือนใจอะไรที่มันขัดอกขัดใจอะไรต่างๆเหล่านี้เก็บหมดนเข้ามาทางตางทางหูได้ยินเสียงอะไรแต่อะไรที่มันจะไม่สบายกระทบกระทั่งเก็บ แล้วเวลานึกในความทรงจําระลึกระลึกไอ้เรื่องไม่ดีลึกเรื่องที่ไม่สบายใจเอามาปรุงแต่งใจให้ขุนมัวเศร้าหมองกลุ้มกังวลเครียดนะความกลุ่มความกังวลความเครียดเนี่ยเป็นตัวอย่างของความเศร้าความสามารถปรุงแต่งของมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายอื่นเนี่ยทาไม่ค่อยได้นะสัตว์อื่นเนี่ปรุงแต่งความเครียดปรุงแต่งความกลุ่มกังวลไม่เป็น ปรุงแต่งความรู้สึกจกนกระทั่งว่าเป็นโรคจิตสัตว์ทั้งหลายอื่นนี่ปรุงแต่งไม่เป็นแต่มนุษย์ได้ปรุงแต่งได้จนกระทั่งเป็นโรคจิตเป็นบ้าไปเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอันว่ามนุษย์นี่มีความสามารถในการปรุงแต่งแต่มักจะใช้ความสามารถนี้ในการปรุงแต่งทุกข์คืออย่างที่ว่าปรุงแต่งความกลุ่มความกังวลความเครียดความไม่สบายใจอะไรต่างๆสารพัดจกนกระทั่งเป็นโรคจิต นี้ทำยังไงเราก็รู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนะเราก็ใช้ความสามารถในการปรุงแต่งมาปรุงแต่งสุขซะสินี่แหละพระพุทธศาสนาสอนตรงเนี้ยว่าท่านมีความสามารถอยู่แล้วในการปรุงแต่งและสร้างสารรค์ประดิษฐ์ก็เอามาใช้ในทางที่ดีสิมาสร้างปรุงแต่งสุขก็เลยให้ปรุงแต่งสุขวิธีปรุงแต่งสุขนั้นก็เช่นวิธีเจริญสมาธิต่างๆน อันวิธีสมถะทั้งหมดคือวิธีปรุงแต่งนะทั้งหมดเลยวิธีสมถะเนี่ยเป็นวิธีปรุงแต่งปรุงแต่งใจของเราให้สงบปรุงแต่งใจของเราให้เบิกบานปรุงแต่งใจของเราให้ผ่องใสปรุงแต่งใจของเราให้มันดีหรือมีสิ่งที่กังวลรบกวนใจก็ทําใจให้มันสงบแล้วงับได้อะไรต่างๆเหล่าเนี้นะฮก็วิธีนี้เยอะแยะไปหมดในพุทธศาสนาอันนี้จะมาเป็นเพียงให้หลักการพะฉะนั้นแค่ว่า อ้าวถ้าเราจะคิดอะไรวุ่นวายจิตใจไม่สบายท่านก็บอกอ้าวหันมากําหนดลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจสติมาปรุงแต่งจิตซาเกิดสมาธินี่เป็นวิธีปรุงแต่งปรุงแต่งใจก็ใจอยู่กับลมหายใจให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ใจไม่ไปไหนก็หายพ้นไปจากสิ่งรบกวนใจก็สบายเนี่ยท่านยังมีวิธีครับปรุงแต่งไปพร้อมกันนั้นเวลาหายใจแล้ว ทำใจไปด้วยเนี่ยอาตมาจะบอกให้สักอย่างวันนี้นะนะคือเราใช้วิธีหายใจนี่เป็นวิธีปรุงแต่งจิตและทําจิตให้สงบเป็นสมาธิมันก็ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอย่างบางคนเขาสอนก็อย่างพระพุทธเจ้าสอนก่อนพระพุทธเจ้าสอนว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้ตามนั้นก็รู้ตามที่มันเป็นนี่อย่างหนึ่ง นี้อาจารย์รุ่นหลังก็มาเติมว่าเออเพื่อจะให้ได้ผลยิ่งขึ้นเอาคํำมากํากับนะ เ, เวลาหายใจเข้าก็นับหนึ่งหายใจออกก็นับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองมันจะได้กํากับชัดยิ่งขึ้นอ่าบางท่านก็มาเติมเอาคําว่าพุทธโธอ่าเดี๋ยวนี้เอาไปใช้เสียจะแหละเนีทีนี้ก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะหายใจกํากับจิตไปด้วย บางสำนักก็เอาอื่นให้ใจเข้าก็ยุบหนอให้ใจออกพองหนอคํากํากับเหล่านี้เป็นเทคนิคของพระอาจารย์รุ่นหลัง mm. ก็เอามาเพื่อจะช่วยกํากับจิตนะ mm. ก็ทําให้จิตอยู่ตัวยิ่งขึ้นอันนี้อาจจะใช้วิธีอย่างพระพุทธเจ้าจัดไว้คือมีเทคนิคเยอะอย่างเวลาเราหายใจเข้าออกเราก็ถือโอกาสปรุงแต่งจิตได้เลยปรุงแต่งซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะเวลาหายใจเข้าก็ทําจิตให้เบิกบาน หายใจออกก็ทําจิตให้เบิกบานนีอย่างในอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อภิปโมทยังจิตตังอาศิตสมีติสิกขติอภิปโมทยังจิตตังปสัสสิตสมาติสิกขะติแปลว่าฝึกใจว่าเราหายใจเข้าก็ทําใจให้ร่าเริงเบิกบานหายใจออกก็ทําใจร่าเรองเบิกบานนี่เราก็มาปรุงแต่งเป็นถ้อยคําโยมเราเอาไปใช้ดูนะอาจจะเป็นประโยชน์ เวลาเราว่างๆเราไม่มีอะไรจะทํารถติดหรืออะไรเราก็ลองทําดูแทนที่จะไปนั่งกลุ่มใจคุณมัวแล้วก็เอามาหายใจเลยทีนี้หายใจเข้าก็ทำว่าเดี๋ยว่าทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าว่าในใจได้นะนะคือหายใจเข้าพร้อมนั่นก็ว่าคํานี้แล้วก็ทําใจให้เป็นอย่างนั้นใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่เราปรุงแต่งทําจิตให้เบิกบานหายใจเข้านะ แล้วก็ทีนี้หายใจออกทําใจให้โล่งเบาหายใจออกนลองดูสิทําให้มันเป็นไปตามคําที่เราพูดเนี่ยสบายใจเลยนะอลองดูสิลองได้ไหมทําจิตให้เบิกบานหายใจเข้าอ้าวเชิญหายใจเข้าทําจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทําใจให้โล่งเบาหายใจออกออ่าหายใจออกก็ทําใจให้เป็นไปตามคําที่ว่านั้นด้วยทําอย่างงี้แหละ ใจก็สบายนะนะปรุงแต่งเ้าเรียกว่าปรุงแต่งจิตหรือว่าอาจจะใช้คําอื่นก็ได้เช่นบอกือตัดคําว่าทำออกก็หรือว่าจิตเบิกบานหายใจเข้าใจโล่งเบาหายใจออกจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโล่งเบาหายใจออกอไรเนี่ยหรืออาจจะใช้อีกแบบว่าหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นนะหายใจออกฟอกจิตให้สดใสวางกันะเอาลองดูก็ได้นะ หายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นเนะบางทีเราหายใจอยู่ไม่ได้เรื่องเลยหายใจเข้าสูดเอาแต่ความคุณหมองใช่ทีนี้เราหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นหายใจออกฟอกจิตให้สดใสจะทำใจซะให้เป็นไปตามนั้นสบายใจแล้วใจไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไรก็มีความสุขอย่างหนึ่งกันนี้เป็นเพียงเทคนิคปลีกย่อยเอามาใช้ซะแล้วพระพุทธเจ้าก็เน้น ในสนภาพจิตของคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีอยู่ห้าอย่างที่ควรทำให้ได้เสมอนี้ตมาก็มาบอกซะด้วยพยายามทำใจให้มีคุณสมบัติ5้าอย่างเนี่ยเพราะใจของเราเนี่ยเราเคยชินตกร่องเรามักจะปรุงแต่งในทางกังบนไม่สบายใจคุณโม่อยู่เลยเลยมันเลยมันเป็นธรรมดาของเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ใหม่แต่ต้องใช้เวลาเน้นนะฝึกให้มันเป็นธรรมดาในทางที่ดีซะ จนกระทั่งจิตของเราเนี่ยเป็นนิสัยที่จะเคยสบายมีความร่าเริงเบิกบานมีความสุขท่านก็ให้ไว้5ข้อหนึ่งปลาโมดแล้วความร่าเริงเบิกบานใจนะร่าเริงเบิกบานทำใจร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอนี่ในคาถาธรรมบทอันหึบอกว่าปลาโมดชาพุโลภิกขุโสนิพานัสเสวะสันติเกตออบภิกษุผู้มากเดีปลาโมด คือความร่าเริงเบิกบานใจเชื่อว่าอยู่ในสำนักพณิพาณว่าเงินเลยเนี่ยอยู่ใกล้พณิพาณแล้วนคนที่ใจร่าเริงเบิกบานเนี่ยเพราะฉะนั้นทําใจให้ร่าเริงเบิกบานจนเป็นประจำใจเลยนะหนึ่งปลาโมดสองปีติอิ่มใจความอิ่มใจปรับรื้มใจทํางานอะไรก็ทําแล้วด้วยความรักงานตั้งใจทํางานงานก้าวไปก็สวยสุขจากผลงานนั้นมีปีติอิ่มใจที่งานก้าวไปทุกขั้น ปีติแล้วปัจสถิเปลี่ยนปัจสธินีแปลว่าความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจไม่เครียดอันนี้แหละไม่เครียดแหละปะัจสธิ